เส้นทางไปสู่อริยมรรคมีแปดสายอัฏฐังคิโกมรมโคแต่ว่าก่อนนั้นเขาก็พูดว่าเอกายโนพิกาวอิยังมรรคภิกษุทั้งหลายหนทางนี้เป็นหนทางเพียงทางเดียวทางเดียวแต่พอมาถึงเรื่องของมรรคเนี่ย่มรรค มีแปดสายอัดถังที่กระมักบางทีก็สงสัยนะแต่ที่จริงมันเป็นเรื่องของเส้นทางการเดินทางจิตวิถีของจิตเนี่ยมันเป็นเส้นทางเส้นเดียวทางก็ทางเดียวแต่ว่าลด ที่เราใช้เนี่ยมันจะมีอยู่เจ็ดจังหวะหรือเจ็ดเกียร์แปดเกียร์แต่เส้นทางเส้นทางเดียวคือหลกักการปฏิบัติทําเพื่อเข้าถึง น, นิพพานมันเป็นเป้าหมายของชีวิตมนุษย์ที่เกิดมาทุกคนนยเขาวางเอาไว้ในหลักการคือพูดถึงเรื่อง ปฏิบัติรมหลักของสติปัฏฐาน4ก็ได้คือมีสติระลึกรู้อยู่กับกายเวทนาจิตธรรมกายนี่คือกายนี่นะดูกายนี่ก็เห็นเวทนาแต่ว่าพอขึ้นสู่ในเวทนาทั้ง9เนี่ยดูกายนี่6สามารถดูได้6ลักษณะดูเวทนา9ลักษณะคือ สุ ข, ขเวทนาทุกเวทนาอธุกรมสุขเวทนาคือความไม่ทุกข์ไม่สุขต่นี้สุขเวทนาทุกเวทนาอิงอามิตรไม่อิงอามิตรสคูณสามก็เป็น9แต่ในตัวเวทนาเนี่ยสุ ข, ขเวทนาอิงอาิ i t h ไม่อิงอามิต h จหมายถึงกับไม่ใช่เวทนาอย่างที่เราเข้าใจ เวทนาเราเข้าใจหมายถึงความความทุกขเวทนาอย่างเดียวคือความเจ็บความปวดความเมื่อยความแต่ในเวทนาตัวนั้นก็หมายถึงความพอใจความไม่พอใจคือเวทนานียมีเวทนาสามก็มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเวทนาหก็มีเวทนาสองก็มี แต่ไม่ว่ามันจะเกิดเวทนาแบบไหนเราก็ดูมันเฉยเฉยรู้สึกว่ามันมีเวทนาอิจิเวทนาติวปนาัสาสติมีสติระลึกรู้ว่ามันมีเวทนาเกิดขึ้นความเวทนานี้ไม่ได้หมายถึงความสงสารความเอนดูอะไรแต่หมายถึงเวทนาหมายถึงการสวยอารมณ์อารมณ์มที่เกิดขึ้นเนี่ย อรู้สึกว่ามันมีเวทนาจิตเราเข้าไปสวยคืออาหารนี่เขาเรียกว่ากลิ่นนะแต่เวทนานี่ยเขาเรียกว่าสวยคือเป็นเรื่องของอารมณ์เรื่องของจิตมันก็จะมีศักเฉพาะของมันนะบ้านเราเรียกว่ามันคิดบางทีน้นี่มันคิดมันนึกฉั้นดูตัวเวทนาเนี่ย ก็สามารถเห็นจิตเห็นอารมณ์ไปในตัวสำนัก บ, บางแห่งดูกายก็เห็นความคิดคือดูกายเนี่ยก็สามารถเชื่อมโยงดูเวทนาจิตธรรมได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วบางคนเริ่มต้นที่เวทนาดูเวทนานั่งดูเวทนาดูเวทนาก็สามารถดูอาการกายนั่นแหละแล้วก็เห็นเวทนา ที่เกิดขึ้นแล้วจิตมันพอใจหรือไม่พอใจทุกสุขอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็เห็นมันอันจะดูเวทนาก็เห็นเพียงแต่ว่าปัญหามันคือตัวดูเนี่ยมันจะไม่ชัดเจนเราก็เลยเน้นที่การทำความรู้สึกตัวนะอันนี้ไม่ได้เน้นที่เทคนิคของการดูเน้นที่การสร้างตัวดู ทีนี้เมื่ออาการเวทนาปรากฏขึ้นอย่างไงสัมผัสรับรู้เนะวทนา5สุขเวทนาทุกเวทนาอทุกขมสุขเวทนาสุขเวทนาทุกเวทนาโสมนัสโท ม, มนัสนะอุบเบกขาเวทนาทีนี้ถ้าก้ามาถึงเรื่องของจิตเอาคอยเฝ้าดูจิตอย่างเดียวทีแรกก็ ยังไม่ไม่คิดว่าไม่ดูจิตที่เฉยไม่เฉยนะเขาเริ่มที่จิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะเพราะจิตของคนมันเป็นอย่างนั้นนะมีราคะมีความใคร่ความกำหนัดมีราคะจิตมีราคะเรารู้ว่ามีราคะมีโทสะมีโมหะไม่มีก็รู้ว่าไม่มีดูอยู่ทุกวู่ทุกวันอืม มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นต่อเนื่องเข้าไปเรื่อยๆนะราคานน้อยก็รู้เพียงแต่คิดแว บ, บมาก็เห็นเนะมื่อก่อนอาจจะเป็นราคะที่มันเยอะโทสะที่มันมากจึงจะรู้จักถ้างนั้นก็รับไม่ไหวหลุดเข้าไปในอารมณ์รู้ว่าไอาราคาโทสะเนี่ยเป็นปัญหาเป็นปัญหากับชีวิตชีวิตไม่สงบเพราะเนี่ย ราคะโทสะโมหะจะ่แรกจ็เห็นแบบตัวโทสะก่อนตัวโทสะมันเยอะๆหรือจะเห็นตัวราคะก่อนก็ได้ความใคร่ความกำหนัดแต่พอไม่ได้ดั่งใจหวังเนี่ยมันจะทุกข์ก็เป็นโทสะงุนหิตนในนิวรนห้านี่ขอเริ่มที่ตัวกามฉันทะขึ้นก่อนเลยคือความใคร่ความอยาก มนุษย์เรามันมีความใคร่ความอยากตัวใคร่ตัวอยากก็คือตัวโลภะมีความอยากได้อยากเป็นอยากมีความใคร่อยากใคร่มีใคร่ครเป็นก็คือตัวตัณหานี่ยแหละตัวอภิชาคือทั้งหมดคืออันเดียวกันพูดอันเดียวจบก็คือจบแต่ว่ามันพูดหลากหลายเวอร์ชั่นหลากหลายมิติ มันก็เลยหลายอย่างคนฟังมีการนึกษาก็พูดแบบหนึง่งไม่มีการนึกษาก็ไปอีกแบบหนึง่งคนบันนอกครองนาเขาเล่านิทานให้ฟังก็พอรู้เรื่องแล้วแล้วก็ไปทำก็สามารถดักทุกได้แต่บางคนที่มันมีการนึกษามีอะไรเนี่ยมันต้องการอัทธรุษทางภาษาผู้ต้องเข้าใจแบบลึกซึ้งแบบอะไรเนี่ยอย่างพระอนุนเนี่ยท่านชอบ เรื่องของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะแต่พระองค์นั้นพูดถึงเรื่องทุกข์เรื่องสุขเรื่องอะไรธรรมดาเนี่ยก็สามารถเข้าถึงทางดับทุกข์ได้พระมกกลาเนี่ยทนะ่านเป็นนักท่องราตรีก็ง่วงปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าก็พูดถึงแต่เรื่องง่วงให้ฟังง่วงแบบนั้นง่วงแบบนี้ก็ไม่ได้พูดอะไรลึกซึง้งนะเขาปฏิบัติธรรมเขาก็สามารถ ดูความง่วงไปอะไรไม่ยุ่งกับความง่วงก็ดูมันเห็นมันดับมันอยู่เรื่อยเยที่สุดก็ทะลุสู่ความเป็นมรรคเป็นผลได้เลยนะทำแปดวันอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันมันจะเชื่อมถึงกันหมดเนะนี้ยในหลักการในะวิสุทศาสนาเนี่ยคึอไม่แต่เรื่องของการ เห็นรมเห็นจิตเห็นทำเห็นจิตมีสุขก็รู้ว่ามันสุขทุกข์ก็รู้ปรุงแต่งก็รู้ไม่ปรุงแต่งก็รู้หลุดพ้นก็รู้ยังไม่หลุดพ้นก็รู้เราดูนะบางทีเราอาการมันเหมือนมันไม่หลุดพ้นนะ่ะความง่วงความเหงาความอะไรก็รู้สึกว่าไว้ใจยังไม่ได้ความคิดแต่และตัวนี้ก็ได้ระวังอยู่ถ้าไม่ระวัง มันก็ไหลเข้ามาถ้าระวังมีสติก็ไม่ไหลแต่ถ้าไม่ระวังมันก็ไหลนะเอไพรว่าที่มันไหลนี่เขาเรียกว่าอาสวะมันไหลเข้ามาในใจเราเราก็นั่งเฝ้าดูดูเรื่อยๆเป็นผู้ดูดูเพื่อไม่ให้เข้ามาในใจหรือไม่ให้ใจตกเข้าไปในอารมณ์เจอถ้ามันหลุดได้นะแล้วต่อมาก็เป็นเรื่องของ อริยมรรคเรือของนิวรรคเรื่องของธรรมารมณ์การดูธรรมารมก็คือในเบื้องต้นอารมณ์ที่เกิดกับจิตเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ตื้นๆอารมณ์ธรรมชาติธรรมดาแล้วก็เขาจะผูกด้วยอารมณ์ที่มันลึกลงลึกลงลึกลงตามลําดับธรรมารมณ์ตัวแรกก็คือตัวนิวรรคแล้วก็มาเรื่องของอายตนะดูนิวรรคและธรรมที่เกิด คือสิ่งที่กีดขวางจิตที่มันไม่ค่อยเป็นสมาธินะ่ะดูตรงนี้เลยคือมันเริ่มได้สมาธิแล้วก็จะสังเกตเหต็นอะไนี้โดยธรรมชาติแต่เมื่อก่อนยังไม่ได้อารมณ์ดูกายดูเวทนาดูจิตยังไม่ค่อยเป็นก็จะดูอารมณ์ตรงตรงนี่ยยังไม่ได้เพราะไม่เคยได้อารมณ์แต่พอผ่านพวกนั้นมาแล้วเนี่ยมันเหมือนเราเคยได้อารมณ์แล้วพอได้อารมณ์ก็รู้จักจิตว่างจิตไม่ว่างรู้จัก ทีนี้สิ่งที่มากีดขวางจิตมันไม่ให้ว่างคืออะไรคนที่ได้อารมณ์เนี่ยจะเข้าใจเรื่องอันนี้นะชัดเจนนั้นเวลาเราปล่อยลงสนามเนี่ยมันจึงไม่กลัวความง่วงไม่กลัวความฟาุ้งซ่านไม่กลัวข้อมูลนิดอึดอัดเพราะรู้ว่าจุดเกิดกับจุดดับจุดเกิดจุดดับของปฏิเวทจะอยู่ตรงไหนในระดับนี่วัฏธรรมที่ขวางจิตเนี่ย ซึ่งปัญหาของคนทุกคนก็คือเรื่องอันนี้เรื่องนิวร์นก็คือสามารถดูได้เลยคือเห็นมันได้เลยดูได้โอ้โหนิวร์นเกิดแบบนี้เนาะมาอย่างนี้นะแต่ว่ามันก็เป็นธรรมารมตัวตื้นๆธรรมารมที่ที่เข้ามาในจิตเราเนี่ยแต่ถึงแม้จะตื้นถ้าเราสังเกตเห็นอย่างเช่นจับตัวความใคร่อย่างเดียวยดูที่ความอยาก มันอยากอะไรก็ดูมันอยากในกินในกามในเกียรติในในดูแค่อยากดับอยากหมดก็หมดทุกดูความห่วงความเหงาก็ดูดูมันดูอย่างเดียวมันเหงามันซึมมันเศร้าก็ดูมันแล้วมันสดใสก็ดูมันมันไม่สดใสก็ดูมันก็คือเหมือนการดูจิตโดยตรงอะเนี่ยคือดูยังไงก็ได้ไม่ได้ว่ากว่าต้องตามสต็ปอะไรไม่ คือดูกายกับดูใจนั้นเองดูกายกับดูใจจริงๆดูกายกับดูใจก็เป็นนเดียวกันเหมือนเราฉายไฟมาเนี่ยฉายดูคนถ้าสติมันมากมันก็จะเห็นทั้งหมดเห็นหน้าเห็นตาเห็นจมูกเห็นแข้งเห็นขาเห็นรูมไปหมดแต่ไม่ได้แยกแยะเขารวมเรียกว่าเห็นคนเห็นรูปเห็นร่างหน้าตาแต่ถ้าไฟฉายสลัวสลวเนี่ยมันจะดูได้ในน้อยหรือบางทีก็ ไม่แต่ดูรอยเขาเดินไปก็ยังไม่เห็นนะดีดันั้นมันขึ้นอยู่กับตัวไฟฉายอยู่กับตัวสติเพาสติน้อยสติมากถ้าสติมากมันก็เห็นชัดถ้าดูตัวนิวรณ์เนี่ยเราเข้าใจมันก็กั้นนิวรณ์ได้ละทีเนี้ตัวนิวรณนไม่ค่อยเกิดนะเห็นมัน นิวรมีห้าตัวการมาฉันทะพยาบาทงุนญยิดอึดัดขัดเกทื่องทีนมิทะง่วงเงอนอนแล้วก็อุทจักรกกุจจะฟุงซ่านตัวฟุงซ่านก็สลัดได้ปล่อยได้วางได้ก็เหลือแต่ความรู้สึกตัวบางทีก็จะมีความลังเลสงสัยตัวลังเลสงสัยเนี่ยมันเป็นตัวตัวแรกกับตัวสุดท้าย เวลาเราวาปฏิบัติทำมันจะลังเลสงสัยลังเสงสัยแต่พอหมดตัวสงสัยก็จะค่อยๆทาได้ทํานิวรณ์ตัวอื่นหายไปแต่ถ้ายังไม่เข้าใจลุ่งถึงที่หมายมันก็จะสงสัยเมื่อไหร่มันจะมีมันจะเป็นแล้วก็จะทําให้เกิดตัวท้อถอยไอ้ตัวท้อถอยกับตัวสงสัยนี่มันอยู่ด้วยกัน ตัวหดหูปุ๊บก็มานันทีตัวนี้งั้นมันต้องได้ต้องจับสภาวะธรรมตัวใดตัวหนึ่งได้ก่อนก็คือสัมผัสได้ก่อนความสงสัยนี่ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นง่ายๆนะที่ไม่ใช่จะหายไปง่ายๆมันเกิดช้าๆนานๆทีมันจึงเกิดแต่ว่าแก้ไขได้ด้วยการสัมผัสสภาวะธรรมนู่นน่ะมันถึงจะหาย อถ้ามันรู้แจ้งตัวใดตัวหนึ่งตัวสงสัยมันจึงหายแต่ถ้ามันไม่รู้แจ้งตัวสงสัยก็ยังผูกอยู่ในในจิตเราเนี่ยเขาเรียกว่าเจโตขี่ละตะปูตอกจิตหรือเชือกมัดใจมันมัดจิตเราเอาไว้คือไม่ให้ฝืนจะดึงดันไปทางไหนก็ไปไม่ได้เพราะมันมันผูกใจเรา เขาตอกใจแล้วเอาไว้มันเป็นสลักลิ่มจะฝืนก็ออกไม่ได้ออกจะกตวง่ว ง, วงออกไม่ได้ออกตกตามก็ออกไม่ได้ความปรุงแต่งงุนหงิดดอัด น, นี่ยฝืนยังไงไม่ได้เพราะเหมือนเหมือนจิตถูกลิ่มตอกสลักเอาไว้เนี่ยเขาถึงเรียกวันนีิวอร์ธรรมเรียกว่าเจโตขี่แล้ว ok หรือเรียกว่าธรรมมุตทัศนะงั้นถ้าเาผ่านตัวนี้ได้ก็มาดูอา้าวมันเฉยได้นะ ไปไหนมาไหนรู้สึกว่ามันเฉยได้ดูได้นิวรณ้อยลงน้อยลงน้อยลงเ น, นี่ยคนดับนิวรณ์ได้ควบคุมนิวรณ์ได้จึงสามารถที่จ ะ, จะเจริญสติในชีวิตประจำวันได้ยืนเดินนั่งนอนเราก็ดูแหละทีเนี้ยดูเวทนาที่เกิดดับได้ดูอะไรได้ฉะนั้นครูบาอาจารย์เขาจัด สังเกตให้ดูดูไหนทีนี้เขาดูว่าดูผัสสะบางทีเนี่ยหรือว่าดูการเชื่อมของอายตนะคนไหนที่ควบคุมนะนิวรณ์ได้ระดับหนึ่งนะเดียวดูดูเวลาตากระทบรูปมันเป็นยังไงฮะปกติพวกนี้จะสดใสนะในชีวิตประจำวันเนี่ยอย่างคนไนสมาธิดีๆเนี่ยเรามาดูอายตนะ เวลาจิตมันเชื่อมกันน่ยมันเป็นยังไงที่ว่าสมาธิดีๆแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ใส่ใจจะเน้นอยู่ที่ตัวสมาธิแต่ไม่ได้ดูปรากฏการณ์ของความเชื่อมต่อของอารมณ์ของผัสสะตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสแต่ต้องเลยแต่ว่าในจังหวะอันนี้เนี่ยมันต้องเป็นกระทบตอนไหนให้ดับได้ตอนนั้นให้มันทันไวๆ ใหญ่นะมันต่อเนื่องถ้ามันต่อเนื่องมันก็เป็นอาการของนิวร์ที่หยบอยักเหมือนเมื่อก่อนนะคือมันเลื่อนระดับการทำลายนิวร์ได้เร็วไม่ได้แต่ถ้าทำได้มันก็ขยับมาอยู่ตรงที่การเห็นตัวอายตนะเนี่ยอายตนะคือตาหูกับรูปรสกลิ่นเสียงนี่แหละ แต่ในวิธีการลงพระเทียนเนี่ยอพอถึงจังหวัด น, นี่เขาเฝ้าดูใจเลยดูใจดูใจดังนบางคนมีสมาธิดาดับหนึ่งแกนิวรันเป็นแ ล, ล้วรู้สึกว่ามันสดจะใสเดินไปเดินมาโน่นนี่เขาชอบจะไปรู้ธรรมะในอริยบทที่จิตมันเปลี่ยนในอริยบทที่มันง่ายๆอาจจะกินข้าวอยู่อย่างเงี้ยนะกําหนดรู้ไปกินข้าวอยู่ เวลาเดินเนี่ยเวลาทำงานเพราะนิวรมันสงบแล้วนี่มันมันเหมือนมันจะนิ่งเพลินไปจิตมันจะเข้าไปกดไปด้วยซ้ำทับไปด้วยในเวลาทำงานเหมือนมันคลายตัวหรือเวลากำลังนอนคือทำกิจวัตรประจําวันน่ะจิตมันจะเกิดการเปลี่ยนการตื่นโพล่งเกิดการสว่างขึ้นมาเขาถึงบอกไงว่าปฏิบัติได้ไม่ ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการแล้วแต่ว่าเราจะประคองสติอยู่ในอรบทไหนทั้นดูตัวอายตนะตัวผัสสะแต่ว่าต้องเห็นเอเเสานิรุชม า, านานิรุชติมะนาวิหิยติต้องเห็นนะทาให้ป็นต่อเนื่องก็ดูไปเรื่อยๆ จริงๆก็คือการพัฒนาสตินี่แหละสิ่งเหล่านี้เราสามารถทำได้ภายในเจ็ดวันเนี่ยคือดูกายได้ดูเวทนาได้ดูความคิดดูอารมณ์แล้วก็ถ้าสติมันมันม่นคงหน่อยก็ดูลึกๆ ล, ล, ลงไปหน่อยดูขันธ์ห้าดูอุปทานในขันธ์คือมันเหมือนกับว่าขันธ์ห้าเราในจะอิสระ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันไม่ค่อยหอมหุ้มแล้วในขันท้าเรามันถึงจะเห็นอุปท า, านนะแต่ถ้าความคิดยังเยอะความปรุงแต่งยังมากอยู่ก็ยากนะยากที่จะดูได้จิตเราเป็นรูปขึ้นมาเป็นยังไงรูปรูปของความคิดคนส่วนมากมันอยากมาดูเพราะว่ามันมันเหมือนมีศักดิ์ศรีหน่อยถ้าได้ดูอะไรที่มันลึกๆหน่อยอะไรประมาณนั้นแล้วก็พยายามเต็มที่ แต่ในความพยายามก็เหมือนจะไร้ผลถ้าสติอ่อนเนหะมือนทำโจทย์เลขที่ยากๆโจทย์สมการนี่ลองทำดูดิเด็กประถมเนี่ยมันจะยากแต่ไม่ใช่ไม่ได้นะมันจะยากมันไม่เหมือนกันการเรียนรู้ตามลำดับอ้าวพอหนึ่งพอสองมอหนึ่งมอสองมานี่ ประถมเรียนรูดมเรียนอะไรทำลำดับแต่บางคนก็มีนะว่าคนหัวดีก็มีก็คือสามารถทะลุไปได้ในเวลาอันใกล้ก็มีดูธาตุดูขันนะดูขันอุปท า, านขันเสร็จปุ๊บเขาก็มาดูเรื่องอะไรที่จริงดูดูอุปท า, านในขันก็สามารถดับทุกได้แต่ บางทีเขาก็ดูธรรมารมณ์ดูธรรมอารมณ์คือนอกจากอารมณ์ที่เป็นธาตุเป็นเป็นอุปทานความยึดติดคือหมายเขาเมื่อก่อนเราเห็นอายต น, นะเนาะมันเชื่อมต่อตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลแล้วกระทบปุ๊บมันชอบคิดชอบปบชอบคิดมันดับไปได้ทันทีเขาก็จะให้ดูว่าไอ้ที่มันชอบคิดเน่ยคิดเรื่องนั้นเรื่องนั้นเนี่ยมันเรื่องอะไรมันจะเป็นเฉพาะเรื่องมันนะ เฉพเรื่องเราติดนิดสัยเนี่ยจะเพราะอันนั้นน่ะนิสัยมัน อ, ออกไม่ได้มันเป็นอุปทานไลยฉนั้นเขาพอดูสิ่งที่เกิดขึ้นสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นทางอายตนาล้วก็จะเห็นเห็นนิสัยสันดาลเราที่มันติดเนะี่ยมันออกไม่ได้ติดนิดสัยเรื่องนั้นชอบทํามันนั้นนะชอบทํามันนั้นเผยเสนอยมันแวบมาละไปเรื่องอื่นก็นตามแล้วก็มาแวบลงตรงนี้ จิตมันจะเป็นอย่างนั้นภาวะแบบนั้นก็มันจะมีสี่อย่างใหญ่ๆอย่างกามทิฏฐิอัตตาเนี่ยกามทิฏฐิทิฏฐิความคิดความเห็นเนี่ยะหลายๆคนที่มีการศึกษามีโนบินมันชอบคิดเอบมีความรู้ความคิ ด, ค, ดความเห็นต่อผัสสะที่มันมีมีแล้วมันมันคิดเพราะมันมีความรู้ไง ความรู้นี่เป็นจิตวิญญาณแต่จิตวิญญาณนี้ไม่ใช่จิตวิญญาณที่บริสุทธิ์นะนะคือมันเกลือกล้วอไปด้วยอุตอุปทานอุปทานที่มันยึดติดพอมันยึดติดพอกระทบอะไรเนี่ยมันมันชอบคิดตามตามอุปทานที่มันมีมันไปนตามเส้นตามสายของวันที่มันมีอยู่แล้วนั้นเขาก็ดูตัวอุปทานในขันคือธรรมชาติดีไี้เองเนี่ยสติปัฏฐานสี่เนี่ย ในเวลาเราเดินทางเดินทางมาถึงจุดไหนเราก็สามารถดูได้สิ่งที่ท่านดูนั่นแหละคือเส้นทางของสติปัญญานโดยธรรมชาติอยู่แล้วไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสัยไม่ต้องอะไรแต่ถ้ารู้สึกว่าการดูมันไม่เข้มแข็งสติมันไม่ดีก็มาสร้างสติซะและวลึกรู้นะเหมือนรถนี่ประคองไว้บึนบนบึนบน บ, น, บ, น, บ, น, บ, น, บนไว้ แล้วค่อยๆขยับไปพุ่งไปทีละน้อยแตน้อยช่วงที่มันมันขับง่ายเกียร์ก็เกียร์ง่ายๆห่อยง่ายๆไม่ต้องวิ่งลากเกียร์บคนวิ่งลากเกียร์เกินไปก็ยากคือไปเพ่งไปจ้องมากไปเวลามันสงบก็ยังเพ่งยังจ้องอยู่คือดูเฉยๆไม่เป็นคือวิ่งลากเกียร์มันก็หนักเครื่องมันหนักคือวิ่งธรรมดาธรรมดาแล้วลึกรู้ธรรมดา แต่ว่าคนใหม่ๆปฏิบัติทําใหม่ๆเริ่มต้นใหม่ๆกับใช้เกียร์ห้าอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช้เกียร์ห้าแบบส บ, สบายสบายสบายแต่ว่าตัวนิวรอนก็เยอะตัวง่วงตัวเงาตัวฟุ้งซ่านตัวอะไรจะมาเข้าเกียร์สบายทําไม่ได้คือต้องเข้าเกียร์หนึ่งมันอยู่ในโครนในตมเนี่ยมันจะขึ้นได้เหรอนั่น คนใหม่ๆจะไปทําแบบสบายไม่ได้ต้องตั้งใจต้อยิ่งทําแบบสบายนั่งแบบสบายกําหนดรู้เล่นๆไอ้หลับพอดีนะเฮ้ยกูนอนทําก็ได้หรอวะเอาเกียร์ไนี้ก็ได้ไม่ได้นะท่านมันมันต้องรู้จังหวะมันเนะ่ยว่าจะใช้อะไรเราทั้งหลายนี่เหมือนรถคันหนึ่งอ่ที่กําลังวิ่งเขาว่ารถเจ็ดพัดเนี่ย แล้วก็ดูมันดูสังเกตดูทีนี้ก็ขยับแปอีกจนมาถึงสิง่งสิ่งที่เราสวดไปมันจะรู้ล้ว น, วนบางทีพอเป็ น, นเนีเยมันมันอาจจะติดเรื่องของสมถะมันสงบมันกดมันเกรงบางทีเนี่ยเขาก็ถ้าเห็นแจ้ง คือทำตามกระบวนการเนี่ยมาสู่หลักของการเหตุแจ้งก็คือถ้า จ, จิตมันผ่านตัวตัวเข้าใจสัจธรรมในในขั้นใดขั้นหนึ่งนะคือได้อารมณ์พบเนี่ยมันคือเราจะรู้ทนีว่าจิตเป็นส ม, มาทิฏิเป็นยังไงแต่ว่ามันไม่สะอาดพอเพราะว่าตัณหามาณทิฏิเนี่ยมันจะแทรกเข้ามา พอจับอะไรได้บ้างล่ะเอาจริงเอาจังบางทีเอาเป็นเอาตายบืงทีก็ไม่เอาจริงเอาจังอะ่ะก็คิดว่ากูพอรู้แล้วคือจะทํามากก็ไม่ได้เพราะเดินไปข้างหน้านี่ยมันจะตีบตันไม่ใช่ไปไง่ายๆแล้วก็จะอืเอาเล่ะวะแค่นี้ยพอพูดพอคุยได้และพอป้องกันตัวได้ประมาณนะึงแต่ถ้าไปเจออะไรที่มันหนักหนักเอาอีกละ่ะติดอารมณ์อีกหรือบางทีอมันเหมือนได้อารมณ์ แต่มันก็ลนหลายๆคนนะไปติดนี่มิดติดนู้นติดนี่ไปติดสําคัญมันไหวตัวเองเป็นผู้รู้ผู้อะไระไปได้อารมณ์นิดนีดหน่อยๆนะก็คือคือได้อารมณ์แ่บนี้นิหน่อยๆแต่ว่ามันก็คิดมากนะไปติมันไม่ได้พวกเนี่ยพวกติดวิปัสสนูเนี่ยเราติเตียนหน่อยไม่ได้อารมณ์มันเกิดอนะตัวโทสะมันมากโทสะมันมากเพราะอะไรเพราะมัน มันก็คิดว่ามันก็รู้อะนะแต่ความรู้เนี่ยมันรู้ในน้อยรู้แล้วดับทุกไม่ได้ดับตัวโทสะที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์หมายตัวเองไม่ได้นะแล้วมาไปไปดูไปเห็นแม่ชีแกติดอารมณ์มิปัจจานุติดอะไรเนี่ยโอ้สอนยกใหญ่ตรงตางก็เลยเทศเรื่องมิปัจจานเทศนันเทนี้ก็ไม่กล้าเข้ามาฟังเทศเลย เรื อ, อารมณ์ติดแบบนั้นแบบนี้คนคืออารมณ์แต่ละอันเนี่ยเวลามาถึงจุดนี้มันจะเป็นแบบนั้นแบบนี้นะนะเขาก็ไม่พอใจเขาว่าเขาเขาเป็นคนอืเป็นคนเห็นธรรมะเป็นคนรู้แจ้งเป็นคนอะไรนะนะคือเขาตั้งตัวเป็นอาจารย์อะไรประมาณนี้ฟังโยมโยมพวกที่คุ้นเคยเขาว่า โอ้ยเขาชอบสอนวันวั น, วนหนึ่งโทรศัพท์มาสอนธรรมะนัะ่นสอนธรรมะนี้เบื่อเขาว่าอย่างี้นะแต่เขาไม่รู้สึกตัวเขาเป็นนี่เขาก็สร้างสำนักทำบริเวณปฏิบัติที่รับแขกที่อะไรคือทำเหมือนอะไรนะคือพูดง่ายๆคือมันติดอารมณ์อะ ติดมีคนกราบคนไหว้มีความพอใจพอไปพูดอันนี้ให้ฟังพูดถึงเรื่องอย่างเนี้ยให้ฟังว่าจิตมันจะเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนั้นแน่เทเ่ๆไปแบบเนี้ยฟังไม่ได้จะลุกหนีไปอะไรประมาณนี้จิตมันติดมนันอึดอัดไงมันเป็นทุกข์แต่มันไม่รู้ว่ามันทุกข์คือถ้าอยู่กับคนที่ไม่รู้มันก็เป็นแบบหนึ่ง คืออยู่คนที่ไม่รู้วาละจิตเราก็เป็นเหมือนเราก็สามารถคุยได้พูดได้นะทตัวเป็นผู้รู้ได้แต่ผู้ที่เขารู้แลวเวลาเขารู้แล้วเขาบอกเขาเตือนเนี่ยบางทีมันจะทุกทันทีมันพวกนี้จะไม่ค่อยไปหาครูบาอาจารย์นะยิ่งคนไหนที่ไม่มีอาธิพรมอาจารย์คือการฝึกการฝนอยู่ในสานักที่ยืนอย่างเนี้ยจะยากในคนณีที่ปฏิบัติทาสักน้อยรีบไปสร้างสานักแล้วเนี่ย ยังไม่มีการฝึกการฝนการอบรมกิริยามารยาทหรือว่าความอ่อนน้อมถ่อมตัวคือตัววิปัสสนูตัวสําคัญมันหมายกูได so ้ก็ได้อารมณ์กูก็เห็นได้เลยประมาณเนี้ยมันขึ้นสูงเนี้ยมันเอาลงไม่เป็นเพราะมันไม่ได้ฝึกหัดเรื่องพวกนี้มาแทนแทนที่มันจะเป็นตัวตัวมรรคที่มันเป็นสัมมาทิฏฐิจริงๆเนี่ยมันก็ไม่เป็นซะ มันมีทิฏฐิมีมานะอะไรเข้ามาแทรกเข้ามาความสําคัญบรนหมายตัวเองเข้ามาบางทีพอได้อารมณ์ปุ๊บก<ๆ>็ก็เป็นอย่างนั้นเลยอยากเทศอยากสอนอยากอะไรมากเาไคือตัวสังขารมานเนี่ยมันเกิดขึ้นมามากเราสําคัญมันหมายมากก็ไม่ได้เก็บอารมณ์ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ทําความเพียนแทนที่เราจับเส้นทางได้แล้วเราจะได้เดินตามเส้นทาง ให้มันถูกต้องและลึกรู้ก็ไม่ล่ะแล้วสําคัญมันไหวเราเป็นผู้รู้นะรู้ในน้อยเนีย่ยนะทําตนเป็นโพธิสัตว์อยากช่วยคนนั้นอยากช่วยคนนี้แต่ทั้งที่จริงเราก็เวียนไหวเวียนอยู่ในน้ําที่มันมันกระแสที่มันเชี่ยวกรากเนี่ยเราจะจมทนันทีตูนตาเกเลยบอกว่ามันมันคงคงช่วยลําบาก ช่วยระบาเพราะคนติดอารมณ์เนี่ยมันจะแก้ยากก็ปล่อยเยอะเท่าให้ทุกมันสอนเองนะคือกว่ามันจะลดทิฏฐิมานะเนี่ยมันจะยากมากแล้วมันจะนานเวลาเราบอกว่าเขามันติดอารมณ์มันอะไรต่างเนี่ยคือคนต้องมีความหม่อด น, น้อมถ่อมตัวมันถึงจะลดได้คือจะเชื่อได้เออพูดมันเป็นจริงเนาะนะนะตอนนี้เครื่องเป็นอันนั้นอันนี้เวลาบอกนี่ก็ยอมรับเนี่ยได้ แต่ถ้าไม่ยอมรับดื้อไปเรื่อยอะไรประมาณเนี้ยมันยากยากตรงที่มันดื้อด้านนี่แหละจิตนะนะบอกยังไงมันก็สำคัญมันหมายตัวเองอยู่เนี่ยมันมันไม่ออกหลายๆแห่งนะนั้นบางทีวัฒนธรรมนหนึ่งคือสายพระป่าเนี่ยเขาจะมีการเหมือนการตบเท้าเข้าไหว้พระครูบาอาจารย์วันหนึ่งหนึ่งของปีหนึ่งหนึ่งเขาเรียกวัน อาจาริยวัตนะอาจารย์ยวัตไปทําวัดครูบาอาจารย์คือไปไหว้เราเคารพครูบาอาจารย์ท่านสอนมาอะไรมาเนี่ยเขาจะไปทําวัดสืว่าวันเกิดหรือวันอะไรอย่างเงี้ยนะเขาจะถือเป็นมันเหมือนงมงายนะแต่จริงๆไม่ใช่นะสิ่งที่ซ่อนอยู่ในนี้มันเป็นเคล็ดลับนะไปไหว้คนมาจากทั่วสารทิศคนนั้นบางคนนี้บ้าง ส่วนเราอยู่อย่างนี้เราไปไหว้ไปไหว้หลวงพ่อเทียนอะไรวันนี้ไหว้หลวงพ่อที่เรารู้เราเข้าใจพากันไปกราบไปไหว้นัดกันนะ่วันหนึ่งปีหนึ่งเดือนหนึ่งอันนี้ก็คือคนที่เป็นหัวหน้าเป็นลูกศิษย์ลูกหาอะไรอย่า ง, างนี้จานี่ต้องคิดแต่ถ้าส่วให้คิดเอาเองส่วครูบาอันร์เธอต้องมาไหว้ฉันนนเดือนนั้นเดือนนี้มันทาไม่ได้ คือมันต้องรู้เราต้องสร้างวัฒนธรรมอะไรขึ้นมาเขาก็ไปบางคนเขาก็ไปเป็นอาทิตย์อเลยนะไปเริ่มบางทีพอไปถึงเนี่ยเขาจะมีงานมันเหมือนกับรวมรุ่นแล้วเขาก็ไปสร้างอะไรสักอย่างบางทีข้าท่านจะให้ทําทําห้องน้ําเป็นอ น, อ, อนุสร์คือเขาเอาจิตของพวกนี้มารวมกันก่อนมาอยู่ในสถานที่ในวัดในวาของท่านสมมว่าท่านอยู่ยาโสธรเนี่ยเราก็ไปไปร่วมกัน ในขณะที่ไปอยู่เนี่ยเหมือนกันปฏิบัติธรรมาแหละทําความเพียรแต่ในขณะเดีกันคือไปตรวจสอบอารมณ์เราวันนั้นน่ะเพราะปกติลูกศิษย์ทุกหาเนี่ยที่ออกไปอยู่ที่นู้นที่นี่มันไม่ค่อยได้ตรวจสอบส่วนมากมันจะไปสําคัญมันหมายว่าตนเองเป็นไปทําหน้าที่ผู้สอนผู้รู้นะเขาก็ถือวันเวลานั้นไปทําอาชาริยวัตรคือไป วัตระคือกิจวัตรที่ควรจะมีคือการไปกราบไหว้ครูบาอาจารยนะ์คือไปแสดงความจงรักภักดีอะไรทํานองนั้นนะเหมือนทหารเขาตบเทา้าเขาไหว้ผู้บัญชาการอะไรแบบนี้อันนี้ก็ไปจิตก็จะเป็นแบบแต่ใ น, นขณะเดียวกันเนี่ยเป็นการไปตรวจสอบสภาพจิตตัวเองครูบาอาจารย์ท่านก็จะถามท่านจะพูดจะคุยท่านจะดูว่าจิตเราเป็นยังไงแล้วเขาก็จะบอกจะสอนคือท่านไม่มาหาเราเราก็ไปหาท่าน ไปอยู่สักวันสองวันแล้วก็กลับบ้านมาจําพรรษาอะไประมาณนี้หรือในพรรษาก็ลาไปเขาจะนัดกันหรอกวันในวันหนึ่งอย่างวันทําวัดของส่วนโมกเนี่ยเขาจะมีส่วนโมกขปละรามนั้นเขาเผาท่านพุทธทาสเนี่ยเขาเผาวันที่พระไปทําวัดนะคือกิจวัตรประจําปีเขาจะมีวันวันหนึ่งที่พระทั้งหมดทุกสาธทิฏที่เป็นลูกศิษย์มหาเนี่ยไปทําวัด อันนี้แหละวันวันหนึ่งที่เขาสามารถตรวจสอบอารมณ์วิปัสนูอารมณ์จิตตญาณหรืออารมณ์ที่อะไรได้เพราะหลายๆครูบาอาจารย์แต่ละแห่งแต่ละที่นี่เขามาเจอกันเจอกันก็พบปะสนทนากันพูดคุยกันอะไรกันเสวนากันความผิดความถูกเนี่ยคนทําเหมาะสมไม่เหมาะสมฟังชื่อฟังเสียงแล้วเป็นอย่างว่านี้เขามาตรวจสอบกันแต่คนทั้งหลายทั้งปวงนี่มันกลัวการตรวจสอบจิตเนี่ยแต่บนอ้อยมีอะไรหรอก อยู่ที่ใจนะมันอยู่ที่ใจทุกอย่างอยู่ที่ใจปรนะมาณนี้แต่ก็ไม่รูนะ้เราพูดได้มันอยู่ที่ใจเหมือนเด็กเราพูดแต่ว่าแก้ไขในใจไม่ได้ธรรมะอยู่ที่ใจกิเลสอยู่ที่ใจแต่ก็ไม่มีใครแก้ไขเรื่องใจเป็นวันนี้เขาต้องบอกว่าเวลามันได้อารมณ์ปุ๊บมันเอาสักซ้อมดูสิดูวะมันเป็นเป็นสัมมาทิฏฐิคือมันเห็นตรงจริงไหม สมาสังกปะนะมันคิดนึงอยู่ในร่องในลอยของสติปัฏฐานไหมหรือ ม, มันออกไปเรื่องลาบยศสารเสริญความเพลิดเพลินไปกับกิเลสตหาไปหมดแล้วนะเป็นอัตตามาณนะทิฏฐิเกิด ข, ขึ้นกับจิตเราแล้วนี่คือถ้ารู้ธรรมะเนี่ยมันในเบื้องต้นมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะแต่ในเบื้องกลางเบื้องปลายเนี่ยคำจัดอนุสัยอาสวะเนี่ยมันจะยาก ส่วนมากมันมีอติฤกษ์ลาบเกิดขึ้นความยกย่องสรรเสริญความชื่นชมคนนั้นนับถืออะไรที่ไหนจิตมันหลุดเลยหลุดจากการทําความเพียรหลุดจากการกําหนดรู้แล้วมันทํางานอื่นพอทำงานอื่นแล้วมันก็นไหลไหลก็หลุดไม่มีส ต, ติการกําหนดรู้เราก็ว่ า, าเป็นงัแหละทํานั้นให้กําหนดรู้นั่นเองแต่มันไม่เป็นหรอกมันไม่อยู่มันไม่ค่อยรู้สึกตัวหรอกแต่มันกินบุญเก่าหน่อยๆนันเอจิตเนี่ย นั้นเขาจึงให้มีโอกาสในโอกาสบางทีไปหาคุณใบจันทร์ท่านว่าอย่าพิ่งกลับนะองค์นี้อย่าพิ่งกลับนะช่วยงานท่านก่อนองค์นี้อย่าเพิ่งกลั บ, นะยยบโยมคนนั้นอย่าพึ่งไปโยมที่เขาปฏิบัติเข้มๆ เ, เ, เขาจะไปนะไปเพื่ออะไรไปเพื่อตรวจสอบคุณธรรตัวเองท่านวาเพอะอยู่คบทัง้งอาคนเก็บอารมณ์นะคงเนี่ยคนนี้ทำความเปลี่ยนอันนี้นะหรือบางทีจะเรียกไปถามส่วนตัวนะ หรือบางคนมีความจริงจังจริงใจหลวงพ่อผมยังไม่กลับกับเพื่อนนะผมอยากทำความเพียรในนี่ท่านก็รู้แล้วคือว่าคือต้องการให้สอบอารมณ์เขาทำความเพียรตั้งใจปฏิบัติเจ็ดวันเขาก็กลับวานทีน้วนะานทีห้าวันสามวัน <c oughs> หรือพุกประสนธนาไปทําการสักการะก็คือมีดอกไม้ทูกเทียนนั่นแหละไปไหว้เขาเรียกว่าทาวัดพระทาวัดกูบาอาจารย์ <c oughs> ตอนเจ้าเราทำวัดพระทำวัดพร ะ, พระคือไหว้พระกิจวัตร <c oughs> นะแต่ทำวัดครูบาอาจารย์ก็เป็นอีกแบบหนึง่งก็คือไปตรวจสอบพุทธรรมในตัวเองแหละแทนคนไหนที่ไม่มีเรื่องพวกนี้ที่อยู่ในขันธ์สันดานในจิตในใจเนี่ยจึงติดอารมณ์ง่ายเป็นวิปัสสนง่ายนะแล้วส่วนมากจะไปไม่ค่อยรอดไปไม่ค่อยรอด บางทีมกลายเป็นทิฏฐิมานะมันสูงนะอย่างที่ว่าที่เล่าที่เคยเห็นเป็นที่โน่นที่นี่คืออารมณ์พวกนี้มันเกิดได้อยู่บ่อยๆนะอารมณ์ที่มันไม่เชื่อใครไม่ฟังใครส่วนมากจะเกิดกับคนที่ตั้งใจจริงนะคนตั้งใจจริงในเบื้องต้นตั้งใจจริงแล้วมันมันไหลออกไปเรื่องอื่นดังนั้นในในท้ายท้ายเนี่ย เขาจึงเป็นเรื่องของการทบทวนเรื่องของสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิถ้ามันถูกตรงจริงๆแล้วมันอยู่กับคันลองอยู่กับคลองทำจริงมันสามารถพ้นทุกได้เลยสมพุติพ้นทุกได้เลยนะไม่ใช่สัมมาทิฏฐิตื้นๆคือเห็นอยู่บ่อยๆนะสัมมาทิฏฐิคือการเห็นกายเวทนาจิตธรรมเหมือนที่เราสวด พิสูจทั้งหลายสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไรเราสัมมาทิฏฐิคือการเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นทำในธรรมคือเห็นอะไรก็เป็นอันนั้นเราเรืองรู้ดูเฉยๆเห็นทีนี้เมื่อมันมีสัมมาทิฏฐิมันชัดเจนเนี่ยสัมมาสังปาากปะวัจจะกามันตะจิววายมัสติที่เราสวดมา คือพอมีสมมธิทิชัดเจนเอาอะไรเป็นส ม, มาธิเอาสติเห็นพอเห็นปุ๊บอุณหภูมิของส ม, มาสติก็โตขึ้นก็คือส ม, มาส ม, มาธิ น, นั่นเองมันจิตเริ่มเป็นส ม, มาธิแล้วพอเราเราลึดรู้ได้ต่อเนะื่องสมาธิมันก็ปรากฏนะพอมันปรากฏมากขึ้นมันก็กลายเป็นการเห็นอะไรที่มันลึกๆ ก, ก็เกิดเป็นสัมมาญาณ เกิดยถาภูตยันเห็นธรรมที่เป็นจริงและจิตมันก็เกิดนิพิทาเกิดวิราคะเกิดการไยถอนแล้วก็เกิดวีมุตินีจิตมันก็หลุดนะหลุดมันถอนมันหลุดออกจากสิ่งที่มันเป็นแต่ถ้าเราเดินอยู่อย่างนี้ตลอดตลอดเวลาเนี่ยมันก็สามารถเป็นเป็นตั้งแต่เรารู้รูปนามก็ได้รู้กายก็ได้รู้เวทนารู้อะไรเงี้ยแต่จิตพอเป็น สมาธิคือสติมันเกิดเนี่ยมันจะเป็นสมาธิได้ดีมันลัดไปได้ดีเลยมันทียังไม่ได้ดูเวทนาด้วยซ้ำไปดูนิดๆหน่อยๆแต่รู้แน่นอยู่กับกายเนี่ยมันก็ทะลุมาอย่างนี้ได้ือจิตนี่มันมันเหมือนกับมันไม่มีอายุนะมันสามารถเป็นสภาวะธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นนะมันอยู่ที่ความเห็น ถ้าตัวสัมมาทิธิคือเห็นกายเป็นกายเห็นทุกข์เป็นทุกข์เห็นธรรมเป็นธรรมถ้ามันเห็นชัดเจนเนี่ยตัววิมุตตินี่ก็เกิดขึ้นมาชัดเกิดมาเร็วทะลุมิติไปได้ไวแต่ถ้าเกิดแล้วมันสำคัญมันหมายอย่างที่ว่าเนะี่ยมันก็ยากเล็วโอ้ยมันคงคงสอนยากคงบอกยากคงแนะนำยาก แล้วมงทีมันก็มีแต่จะสอนบางทีเนี่ยมีแต่จะบอกแทนที่จะเดิอนโยก ม, มันก็ไม่เอานะเวลาไปสอนนี่เหมือนไปไปช่วยไปช่วยทบทวนอารมณ์ให้คนมันก็จะไม่เอาไม่อยากทบทวนอารมณ์ตัวเองนะแต่มันจะอยู่กับเรื่องอื่นปัญหาเนี่ยนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสงสารสงสารว่าเออคนที่ปฏิบัติทาแล้วเนี่ได้อารมณ์แล้วเนี่ย ภูมิธรรมันไม่เดินหน้าบางทีเนี่ยอย่างโยมหลายหคนนะเป็นคนเก่าๆผ่านปฏิบัติธรรมลุ้ตาก็ดีใจนะดีใจว่าอืมเราทั้งหลายก็ยังมีความใส่ใจสนใจห ล, ลายๆคนมีความก้าวหน้าดีในการปฏิบัติธรรมแต่ไม่หยุดยัง้งฝึกบ่อยๆฝนบ่อยๆพัฒนาบ่อยๆวันทีก็ได้ดีบางคนก็ไม่ดีแต่บางคนมีความละอาย โอ้ยไม่อยากไปไม่ก้าวน้าอะไรประมาณนี้อย่าไปคิดแบบนั้นนะนะความคิดแบบนั้นให้จิตมันถดถอยมันก็ติดในวันเหมือนเดิมนะมันทำเนี่ยมันดีกว่าไม่ทำนะทาเนี่ยมันดีกว่าไม่ทาขยันทำนะมันมีโอกาสมีโอกาสอย่างมาที่นี่เอา้าแม่ครัวเขาจัดการให้อาหารสถานที่อะไรเหลือต่ปฏิบัติอย่างเดียวแล้วก็ตั้งใจปฏิบัตินะเช้าเรายินแล้วก็ฟังฟังธรรมะ สมัยพระพุทธกาลเนี่ยมันอาจจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้เรื่องกันเก็บอารมณ์เรื่องให้อยู่คนเดียววิเวกอะไรประมาณนั้นก็อยู่แบบนี้วิเวกแล้วเราสังเกตุว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่โน่นที่นี่จะพร้อมด้วยพระภิกษุสองพันลูกสองพันลูกสามพั 3, ลูกอยู่เรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆเขาตามไปตามไปฝั่งตามไปปฏิบัติตามไปทําความเพียรบารุงความเพียรนะคนไหนมีสาภาพทําสภาพจิต พอหยุดระดับหนึ่งก็หยุดปักหลังลงแล้วทําความเพียรให้มันต่อเนื่องอะไรประมาณเนี้สภาวะจิตก็จะเจ็มแจ้งลงเจ็มแจ้งลงเจ็มแจ้งออกมาแล้วแต่ว่ามันจะใช้เวลาน้อยเวลามากแค่ไหนบางคนก็เอาออกพรรษามันไม่ไปหน้า ม, มาหลังก็ไปหาพระพุทธเจ้าไปทบทวนไต่สวนทวนดามท่านก็สอนท่านก็แนะนําอะไรประมาณนี้ ท่นเรื่องจิตของเราเนี่ยมันเป็นตัวปัญหาคือทิฏฐิมานะตัณหามานะทิฏฐิหรือกามทิฏฐิอัตตานะแล้วก็ความงมงายบางคนมีนะนะปฏิบัติไปแล้วทะลุไปสู่ความงงงายนั่นแนหะไปเห็นอะไรสักอย่างประหลาดประหลาดขึ้นมาแล้วก็ไปยึดติดแล้วก็สําคัญรุ่ใหมายตนเองเป็นผู้รู้บางเอง็น ตัวเองเป็นผู้วิเศษวิโสขึ้นมาเห็นนั่นเห็นนี้อันนี้ก็สร้างปัญหาแต่เวลาไปหาไปทําวัดครูบาอาจารย์เนี่ยเขาจะช่วยชี้เนี่ยออคนนี้เป็นอย่างนี้นะคนนี้เสียงเล่าเสียงลือม า, าเป็นอย่างนี้อย่างพระพุทธเจ้าสมว่าเวลาคนพูดอย่างท่านพระมหากรพินะเนี่ยเวลาปฏิบัติทำท่านเดี๋โอ้ยสุขเนาะสุขเนาะมีแต่ความสุกุลก็ไปบอกฟ้องพระพุทธเนะ เวลาไปทำวัดท่านเรียกกัปปินะเธ อ, ออาศัยเหตุปัจจัยอะไรทำไมชอบอุทานก็ามีความสุขหนอสุขนอคนเขาเล่าลือมานะเธออยู่เฉยๆแล้วก็จะพูดว่ามีสุขหนอสุขหนอเนี่ยนะคือพระพุทธเจ้าเลยท่านเจ็ดจทั้งมันร้อนนะ่ะทุงนอนนะนะั่นน่ะน่าจะประมาณสี่รนะ้อยในนึกอะไรเนี่ยนะนะ นอ้บุดีอ่ะลืมตาลืมตายมเอาบ้าเฮยหลับได้หลับดีนี่ไปเรียนมาจากไหนอันหลับเนี่ยแต่พระนี่ลตาไม่บอกหรอกให้โยมตรวจสอบให้ก็พอ เขได้ยังบอกเลยโยมดูพระให้หน่อยเรื่องเวลาท่านหลับต้อง <c oughs> ให้หน่อยนะวาพระนี่จะตื่นไวเวลาเรา <c oughs> กยกทันทีเ <c oughs> มืลังหลับเนาะขาจะไอไม่เนี่ยมันมีปัญหามากตัวนี้เราปฏิบัติที่ไรก็มีปัญหาตัวนเรื่องตัวนี้เก็แก้ไขเฉพาะเรื่องนั้นอา้าวมันอยากพูดไม่พูดงับปากไปทีนะ มันเดงเถียงไม่เถียงมันมีทิฐิมันมีอันตรชนสลายมันนี่คิดความคิดอันนี้เกิดอะไรแล้วกับกูเนี่ยก็แก้ไขแต่เรื่องเนี่ยแต่ถ้าอยู่กับครูบาอาจารย์บ่อยๆสังเกตนะคนที่อยู่นานๆหน่อยเนี่ยจิตมันจะยุบตัวตัววิปัสสนูตัวอะไรเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีมันจะไม่ค่อยมีพะหนึ่งการได้ยินได้ฟังมันมีบ่อยมันมีบ่อย าการทําความเพียนก็เหมือนถูกบังคับให้ทําอยู่บ่อยๆมันก็จะอ่อนลงอ่อนลงอยู่บ่อยๆบ่อยๆนะแล้วก็อืคล้ายๆว่าทบทวนทุกวันนะอือย่างน้อยเจ็ดวันสิบห้าวันอะไรฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติและเลืกรู้บ้างดูคนนั้นคนนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยจิตมันก็ลดน้อยถอยกําลังลงก็มาอยู่ในคลองของส ม, มาธิฐิที่มันเป็นสัมมาส ม, มาธิเนี่ยสมาส ม, มาธิ แล้วก็ดูว่าไอ้ตัววิตตวิจารมันก็เยอะไหมเพราะสัมมาสัมมาที่ตัวแรกก็คือวิตกวิจารนะเรียกว่าปฐมฌานก็ไม่เอาปล่อยวางนะสุขก็ไม่เอาแม่ครัวอย่าคุยกันเด้อนะพยายามให้มันไม่เวลาทำงานนะมีแต่ความคิดความคุยดังเกินไป ยิ่งต่อเครื่องขยายนี่ก็ยังไม่ครัวนั่นแหละฟังเสียงแต่มันก็ไม่เข้าใจฮะมันคุมมันคุมยากนะปัญหาแต่ละอย่างแต่ละอย่างอยากให้คนมีธรรมะอยากให้คนตั้งใจอยากให้ได้ประโยชน์ด้วยกันทั่วหน้าทุกๆุกคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะคนแต่ละคนมันมีตันหาส่วนตัวทำอะไรก็ข้องกับตัญหาของตัวเองอ น, นั้นมันก็เลยยากนะแต่เส้นทางชีวิตของทุกทุก จิตทุกทุกดวงก็คืออยากพ้นทุกนั่นแหละอยากดับทุกนั่นแหละแต่พอสมมุติให้ทําอะไรเนี่ยมันจมไปกับอันนั้นเลยสมมุติให้ทําหน้าที่อะไรก็จมไปกับอันนั้นแล้วกิเลสมันได้ช่องทางที่จะเกิดก็ปรุงแต่งไปตามเรื่องไหลไปตามกระแสฉันก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นแต่ละคนเนี่ยเพราะมันยากนะ ยา ก, กว่าจะได้ปฏิบัติทํากว่าจะได้สร้างบรรยากาศแบบนี้ขึ้นมากว่าจะมารู้กว่าจะมาเห็นกว่าจะได้ยินได้ฟังจะได้รวมตัวกันมันยากนั้นก็อาศัยเหตุปัจจัยที่เรามีเนี่ยทํากิจในสิ่งที่มันดีที่สุดในควาชีวิตซะหันใจใจใจใจตัวในน้อยเนี่ยใจใจไปว่าว่างใจไปว่ารู้เรามาหาใจเราหาตัวรู้เนี่ยรู้จนทั้งว่าเกิดการรู้แจ้ง ไม่ใช่รู้สึกตัวในหน่อยเฉยๆมันไม่พอนะหลายๆคนโอ้ยทําอะไรก็ให้รู้สึกตัวไอ้รู้สึกตัวนี่มันแทบจะพูดถึงเรื่องเป็นมักแล้วก็เป็นมักอ่อนๆเองนะนะความเข้มของมักนี่มันอ่อนๆทาอะไรก็รู้สึกตัวทําะไรรู้สึกตัวนะก็ให้รู้สึกตัวบ้างอะไรมันอ่อนมักมันอ่อนนะคือเหมือนไฟเนี่ยไฟอ่อนๆเนี่ยจะเผาอะไรได้มันไม่พอ ให้เราจึงมามีการเก็บอารมณ์ไงมาตั้งใจปฏิบัติเจ็ดวันสิบวันเลยรต่าๆเพื่ออะไรเพื่อสร้างตัวมครคนี่ให้มันสูงขึ้นสร้างมครคมันเข้มขึ้นสร้างตัวมครคนี้มันต่อเนื่องขึ้นให้มันจ่มใสขึ้นมันก็จะยืนยาวอุณหภูมิมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นความเข้ม ความเข้มของของความรู้สึกตัวนี่นแหละเขาเรียกว่าเป็นสมาธิไอ้ถามว่าวันวันหนึ่งเป็นสมาธิไหมคือได้อารมณ์ไหมนะมันแทบๆทบจะไม่ได้อารมณ์นะถ้าไม่ทำจริงทาจังกับมันจริงไม่ดูต่อเนื่องคือไม่เป็นคนละเอียดจริงๆนี่มันจะยากพอสาคัญมั่นหมายไปหน่อยนานๆไปในบางทีคนมันไม่อยากเก็บอารมณ์ไม่อยากปฏิบัติไม่อยากเข้ากรอบเข้าข้อที่ทำ โอ้ยทำอะไรก็รู้สึกตัวอยู่เนี่ยได้อย่ า, ยางเงี้ยแต่การรู้สึกตัวเนี่ยคือทิฏฐิมานะหรือกิเลสตัหานี่วรธรรมทั้งหลายเนี่ยมันจะถหายไปแค่มีอารมณ์แค่ได้อารมณ์เนี่ยพวกนี้มันจะเสื่อมสลายหายไปแล้วแต่ถ้าการกำหนดรู้นั้นเนี่ยมันช่วยอะไรเราไม่ค่อยได้นะเพื่อมาถอนเอาความทุกข์ออกจากจิตเนี่ยไม่ได้เลย ดูเหมือนเป็นขยะไปมูดชีวิตเนี่ยน้ะมีแต่ธรรมะที่ช่วยเราได้สติสัมปชัญญะที่เรามีเนี่ยเออพอช่วยได้ช่วยใจเราเนี่ยอันเดียวท่านแหละลาบยศสารเสินเนยือนยออะไรทัร้งหลายปวงมันไม่รู้มันเป็นยังไงเนี่ย เหมือนขี้หมูขี้หมาเหมือนอะไรประมาณนะึงมันไม่มีอะไรทุกอย่างมันเป็นเหมือนอยังไงเวลาคนถามกันเป็นยังไงบ้างสบายดีไมแต่วมั น, ม, น, ม, นมันเหมือนคําพูดเด็กๆคุย ก, กันเนี่ยประมาณนะฮะตามประเพณีอแล้วมันจะเห็นเป็นประเพณีไอ้ความรู้สึกเป็นประเพณีปกติจริงๆมันต้องเข้าสู่สภาวะที่เป็น เป็นสัมมาทิ ท, ที่หรือส ม, มาธิที่มันเป็นกลางๆจริงๆนะแล้วต้องทําให้มันมันคล่องตัวมันเหมาะเคำเรียกว่ากรรมนิโยคือคู่ควรคู่คว ร, คควรต่อสภาวะที่จะเจาะทะลุตัวมรรคผลได้กรรมนิโยนี่หมายาว่าไม่ได้หมายาว่าเหมาะที่จะไปทําการทํางานทําอะไรนี่ก็สติมันก็อยู่แบบนั้นไม่ใช่แต่งานของอริยมรรคหรืออริยบุคคลก็คือ การที่จะมีสติอยู่ในภาวะขีดความสามารถที่จะทะลุกิเลสอาสาวะดันขึ้นไปสู่ความเป็นอริยผลเนี่ยใ น, นแต่ละชั้นแต่ละภพแต่ละภูมิเนี่ยบางทีเราจะไม่เคยได้ อ, รอารมณ์ปฏิบัติธรรมแล้วสติมันมากขึ้นมากขึ้นมันพอมันเหมาะมันสมความเพียรมันพอดีมันก็จะได้อารมณ์ได้อารมณ์ก็คือมีสมาธิทีนี้ไอตัวมีสมาธินี่มันต้องทํา ต้องมีขีดความสามารถมากมากจนกระทั่งเหมาะสมที่จะทะลุมิติของอนุสัยอาสวะที่มันฝังอยู่ในใจเราเนี่ยได้อารมณ์พนี้นี่มันส่วนว่ามันจะอารมณ์วิปัสสนูอารมณ์ะ อ, มอะไรเนี่ยส่วนว่ามันจะอยู่กับคนที่ที่พอรู้บ้างแล้ว แต่ถ้าไม่รู้มันจะไม่เป็นเราสังเกตเ น, นะคนคนที่รู้แล้วนิสัยมันจะกระด้างกระเดืองนิสัยมันจะไม่มีความอด น, น้อมถม่อมตัวนิสัยมันจะเป็นนะสร้างคล้ายๆมันมีมันมันเบ่งนะจิตมันเบ่งเหมือนเป็นนักเลงอะไรจิตนั้นเขาเรียกว่าสิ่งที่สอดแทรกเข้ามาคือตัวอภิชาโทมนัท มันแวบเข้ามาแต่ไม่ให้มันเป็นไม่ได้นะมันก็เป็นแต่ว่าใครจะเป็นอยู่น้อยอยู่นานจิตอเนี้ยถ้าเป็นนานก็เป็นนานก็คือสวยทุกนานในสังคมของมหายานเนี่ยเขาจึงไปบัญญัติสภาวะของพระโพธิสัตว์ขึ้นมาไงเพราะเป็นวะิปนะัสสนูนานๆเนี่ยส่วนมากเขาบอเออเป็นวิปสนานานนัสวนวออปนปสนูคือ เราไม่ได้บอกว่าสอนไม่ได้แต่ว่าในหินในยานเขาอยากไปทำตัวเองให้มันบริสุทธิ์หน่อยนะอยากให้ไปทำตัวเองให้มันบริสุทธิ์จิตจะเป็นอย่างั้นะแต่ว่าในมหายานเขาจะเป็นให้ไม่บริสุทธิ์ก็ไดนะ้ช่วยกันไปตามเรื่องวันปฏิบัติไปทำความเพียรไปช่วยเหลือกันไปก็ยังมีประโยชน์นะมีประโยชน์กวาไม่ทำนั้นในจิตเราเนี่ยให้สังเกตดูตัว ตัวธรรมารมณ์ที่ปรากฏท้ายท้ายเนี่ยแต่ละวันแต่ละเดือนนะแต่ละชีวิตที่ผ่านไปเนี่ยขยันําไปพยายามให้มันต่อเนื่องนะได้น้อยทําได้มากก็ทำอย่าให้มันไหลมากถ้ามันยังขึ้นสู่บันไดไม่ได้ก็พยายามขึ้นบันไดบันไดเจ็ดขั้นเนี่ยถ้ามันเปลี่ยนเกียร์ยังไม่เป็นก็ทําให้มันเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนได้จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะ คือระลึกรู้ตอนไหนก็ทําได้ตอนนั้นแหละระลึกรู้ตอนไหนก็เป็นสมาธิตอนนั้นอารมณ์ก็เด่นเป็นตอนนั้นคือปฏิบัติทุกวันอย่างกูบ่าว่ามันจะได้ทันทีบางทีเป็นวันบางทีได้สักชั่วโมงวันเนี้ยวันนี้ได้สองชั่วโมงอะไรแบบนันแต่ตัวง่วงตัวเหงาไม่มีละ ไม่ใช่มาปฏิบัติธรรก็มาสู้มาชนกับตัวง่วงตัวเงาก็ได้ไม่ได้อารมณ์อะไรเลยเพราะมันไม่เห็นเนี่ยให้มันผ่านเรื่องหยบหยานี่วันหยบหยานี้ไปคือได้อารมณ์ทุกวันทุกวันเดี๋ยวมันก็เชื่อมกันเองมานอ่านไม่ได้ตอนเช้าแต่มันได้ตอนเย็นพอได้ตอนเย็นสองชั่วโมงสามชั่วโมงขยายออกขยายออกเหยาะเดี๋ยวมันเชื่อมกันเดี๋ยวเป็นสมาธิสมาธินี่มันเพียงพอเพียงพอต่อการเป็นฐานของอริยมรรคอริยผลเนี่ย ที่เขาบอกว่าโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลสัจธารมยมากขไอตัวมักนะคือเวลามันทลุอันหนึ่งแล้วเราก็ทําความเพียนไอตัวความเพียนเนี่ยมันต้องมีพอนะมันต้องรวบรวมตัวสัจธาวิญญาณสติสมาธิปัญญาเขาเรียกว่ามัคคะสังคีมัคคะสามขีตัวสติก็รวมกันตัวสมาธิตัวอดตัวทนตัวขยันกันแข่งตัวเลยมันรวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วมันเกิด สภาวะนิพพย์ถ้าคือแทงทะลุไอตัวอาสวะที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยได้แต่ถ้าเรทําความเพียนแล้วมันมันเข้าไม่ได้มันเจาะไม่ได้เนี่ยมันทําไม่ถึงมันไม่เป็นไม่ไปเราจะทอถอยนะทอถอยบางทีมันอยากไปทํางานอย่างอื่นมากกว่านอยากทํางานเออเป็นเทศเป็นสอนอย่างที่พูดมาเนี่ยจิตมันจะไปติดอันนั้นมากกว่าเฮ้ยเอาแค่นี้แล้วว่าก็พอรู้พออะไรเนี่นะเอาไปมา ภูมิธรรมมันก็เกิดการชะงักพอชะงักทารากยังไม่ถอนนะ้ารากยังไม่ถอนเนี่ยมันแตกงอกแตกใบอีกไม่นานนะและจะกลายเป็นคนที่น่ารังเกียจมากนะคือเต็มไปด้วยทิฏฐิมานะราคะตันหาคือใบมันเกิดขึ้นมันแตกขึ้นใบเนี่ยมันก็ยาวเพราะว่าอยู่สักพักหนึ่งสมาธิมันจะเริ่มลดลงลดลงลดลงแล้วมันก็ตกจิตมันก็ตกพอตกก็อย่างว่านะ ง่วงง่ายเงาง่ายเบื่อง่ายงยูดหิตง่ายอะไรง่ายนั่นคือปัญหานะฉั้นเราทั้งหลายเนี่ยไปสังเกตดูจิตของแต่ละดวงแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยต้องนําไปสู่ความละเอียดถ้าเราไม่ละเอียดต่อสภาวะธรรมสภาวะจิตเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเห็นรากเงาของกิเลสตัณหาความละเอียดในหมายถึงสภาวะธรรม ที่มันเป็นมัคในแต่ละขั้นแต่ละตอนเนี่ยนะทำให้มันได้ทำให้มันเห็นนะสภาพธรรมนั่นก็คืออยู่ในชีวิตประจำวันนั่นแหละนะยืนเดินนั่งนอนทำอะไรเนี่ยพยายามเพราะเราศึกษามาแล้วย่างเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเน้นเข้นต่อสู้กับนิวรณ์นิวรเราทำแต่ละตัวเนี่ยเราจะผ่านในในแล้วเราก็สู้กันจริงจังแล้วเราเข้าใจ พอเข้าใจเวลาเราใช้จิบประจําวันเรารู้ทันทีว่าอันนี้นิวรอนมานะเราเคยสู้กับมันแล้วภายในเจดวันที่ทําเนี่ยเห็นแล้วเข้าใจแล้วอะไรประมาณนี้รู้ว่าการเกิดการดับของนิวรอนมันเป็นยังไงรสชาตินิวรอนแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะถ้ายืนอยู่ณจุดนั้นเนี่ยแล้วนิวรอนแต่ละตัวมันมีมีเป้าหมายไปทางไหน แล้วผลที่ทะมันอยู่ น, น, นานๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรกับจิตพระทําให้จิตเราติดอารมณ์เราก็ไม่สั่งสมไม่พอกพูณไอ้พฤติกรรมมันนั้นให้เกิดขึ้นเห็นอยู่บ่อยๆบ่อยๆไอ้ตัวอริยมรรคเนี่ยมันก็จะแข็งขึ้นแข็งขึ้นแข็งขึ้นอย่างในพุทธพจนว่านิธันตั น, ท, นทิงวิจิมีทางอารติงพัสสัมมตังวิรจนานังปนามตวาอริยมรรค วิสุทธิ์ติมักจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ได้ก็อยู่ด้วยการขับไล่ความหลับความหลับเนี่ยความเกียจคร้านถ้าเรายังหลับอยู่ยังสลึมสลือยังอะไรอยู่เนี่ยมักมันไม่บริสุทธิ์นะเนี่ยเมื่อมักไม่บริสุทธิ์เหมือนเราขับรถโม่วมเนี่ยคิดเหลือว่าจะรอดนะมิจจะตายนะรถจะคว่า ตกฉลับลงข้างทางชนเสาไฟฟ้าชนอะมักมันไม่บริสุทธิ์พราะขับไล่ความหลับความเกียดคล้านความเกียดคร้นคานเกียดคร้านที่เกียดคร้านที่จะดูอันนี้นะไม่ใช่เกียดคร้านเรื่องทํางานอย่างอื่นนะเกียดคร้านที่จะดูที่จะมองกลับเข้ามาข้างในเนี่ยดูจิตเราเองดูความคิดดูอารมณ์เนี่ยมักในเบื้องต้นก็ดูกายในกาย มักเบื้องหลังคือเห็นเห็นจิตเห็นจิตมันว่างไม่ว่างรู้ตัวเห็นมันคิดไม่คิดเนี่ยมันว่างไม่ว่างนั่นเองเดินไปตอนนี้ระลึกรู้ตัวเห็นไม่ว่ามัว่างเห็นไม่ว่าไม่ว่างว่างเพราะอะไรไม่ว่างเพราะอะไรว่างเพราะราคาโทรศัพมหะหรือมันก็คือความขยายออกไปนั่นเองโมหะเออมันปรุงแต่งก็รู้ปรุงแต่งมันเป็นอะไรนี่นั่นก็คือมันว่างมันไม่ว่างแต่นั่นเองเราดูตรงจุดที่มันว่างมันไม่ว่าง เหมือนเราดูไฟเนี่ยกระแสของมันนะเราวัดดูน่นตรงที่ขั้วที่สวิตช์มันเราปิดเปิดอยู่นู่นเราก็รู้มันวิ่งไปไม่วิ่งไปมันมีไฟหรือไม่มีไฟอย่าเรามานั่งสร้างจังหวะเนี่ยเรารู้ว่าในคนคนนั้นมีสติหรือไม่มีสติก็ดูที่หลอดมันนั่นแหละหลอดมันคือดวงตาเราติดเอาไว้เนี่ย ถ้าหลอดมันไม่มีแสงงอกคือมันไม่สว่างมันไม่ตื่นตัวก็แสดงว่าไม่มีไฟคุณสร้างจะตว่าไปกระแสไฟมันไม่เดินเน่ยสติมันไม่วิ่งให้การกําหนดรู้มันไม่มีนะไม่มีแล้วถือว่าทำความเพียรไหมเพียรแต่ข้างนอกแต่ข้างในมันไม่มีมันไม่มีไส้บัลเน่ยไม่มีไส้ในมันเป็นแต่อาการมันเหมือน เหมือนเเหมือนกระลอกกระแตที่ถูกสตารไปเนะี่ยแล้วเราเอานุ่นยัดใส่ข้างในมันแต่ตัวมันวิ่งไม่ได้นะรูปทรงมันเหมือนเฉ ย, ยเฉยภูมิธรรมก็เหมือนกันที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องมีภาวะข้างในให้เราต้องดูให้มันชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้ น, นในแต่ละวันเนี่ยต้องละเอียด ความละเอียดในการสังเกตนั่นแหละจะนําไปสู่การการเห็นที่มันชัดเจนเขาใช้คาว่าอะไรโยนิโสนะคําว่าละเอียดก็คือหมายว่าละเอียดที่ไม่รู้สึกตัวนี่เพราะอะไรขี้เกียจใช่ไหมหรือเป็นคนฟุ้งซ่านใช่ไหมนะชอบงานใช่ไหมชอบปรุงแต่งใช่ไหมชอบวิชาการใช่ไหม แล้วสึเกตทาไมมันเป็นเหงื่อมันชอบเป็นเพราะอะไรบางที่เขาก็ให้ขังขังจิตเอาอธิษฐานละอธิษฐานเอาจะเดินจุจกจมอยู่ในนี้จะไม่ออกจากทางจุกจมหล้ววันนี้ยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่อธิษฐานจิตจิตแล้วออกไปข้างนอกทั้นเขาจึงเรียกว่าให้เข้าห้องกรรมฐานซะบางทีถ้าไม่เข้าห้องกรรมฐานนี่มันไม่ได้มันผัดสะทางอายนตนะตาหูจมูกลิ้นกายบ่อยๆหรือบางทีมันหลุดไปกับความคิด ใบๆอาจจะไม่จับยาหม่องยาดมละวันเนี้อาจะไม่รีบไปอาบน้ําละจะอะไรตานี้นะจะไม่แต่งเนื้อแต่งตัววันนี้จะกินข้าวสักสองช้อนคือมันต้องวางใจต้องรู้จักอธิษฐานอาธิษฐานเนี่ยมันจะหนักกว่าสติปัฏฐาน คือฐานเมื่อวันที่ตั้งที่ตั้งของจิตเราตั้งฐานตั้งความหวังตั้งความพยายามเอาไว้อย่างถือที่สุดเนะ่ยเอาวันนี้จะเดินจงกรมจนค่ำอธิษฐานนะแล้วก็ตั้งใจทําทําให้มันถึงถึงเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้เราเรียกว่าอธิษฐานแต่ไม่ได้ไปขอนะไม่ใช่ขอนะเอาวันนี้จะนั่งสร้างจังหวะจะไม่ให้มันหลับเลยอ่ะทาไงก็จะไม่ให้หลับจะเพียรพยายาม นี่เขาเรียกว่าอธิษฐานคือมันก็จะช่วยได้ช่วยทำให้เส้นทางนี้มันสะอาดขึ้นนะความม่ว ง, งความหลับก็หายไปความเกียดค้านก็หายไปความขี้เกียจก็หายไปความไม่ศรัทธาความเมาอาหารพวกนี้มันจะหายไปส่วนมากมันมันเมาอาหารนี่แหละนะปัญหามัน คือปัญหาชีวิตของคนก็อยู่ที่ปากกับตาตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันอยู่สปากกับตานี่แหละที่เอาทุกข์เข้ามาใส่มากๆเนี่ยยิ่งบางคนชอบรู้เรื่องนั้นรู้เรื่องนี้มันรู้อะติดความรู้ทางวิญญาณนะท่านมันรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้รู้เรื่องของคนโน้นรู้เรื่องของคนนี้รู้เรื่องทฤษฎีนันี่มันก็จะทุกข์เพื่เรื่องที่มันรู้นั่นแหละ แล้วสักวันหนึ่งมันต้องไปรู้เรื่องที่ไม่เหมือนมันคิดแล้วมันก็จะเกิดขัดแย้งกับจิตใจตัวเองไม่พอใช่ไหมไม่ถูกนะมันน่าจะอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะเกิดขัดแย้งขึ้นมาฉะนั้นเขาไม่ให้มีเพราะฝูงสิ่งพวาะนี้มันเป็นอนิจจังรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือเป็นสภาวะอนิจจังถ้าเราไปยึดกับสิ่งที่มันปรุงขึ้นมาเนี่ยมันผิดทั้งนั้นแหละ ปรุงถูกก็เราคิดถูกเอาปรุงผิดเราก็คิดเอาว่าผิดแต่สภาพธรรมมันไม่มีผิดไม่มีถกูกปรุงก็คือปรงุงเม่ปรุงก็คือไม่ปรุงถูกผิดมันก็เป็นเช่นนั้นของมันเองโดยธรรมชาติอยู่แล้วหน้าที่เราเหรือก็คือทำความรู้ตัวนั่นเองรู้รู้ว่ามันปรุงถูกก็ถูกผิดก็ผิดดีก็ดีไม่ดีก็ไม่ดีคือจิตเรา ไม่ได้เข้าไปสําคัญมันหมายเราไม่ไปใส่ชื่อให้มันอันนี้นายดีนางชั่วเลยอารมณ์ดีอารมณ์มชั่วอารมณ์เสียอารมณ์ได้เราไม่เข้าไปสวมสมมุติให้มันคือจิตนี่จะนอกเหนือดึงออกมานอกสมมุติไม่ใช่มองแค่วัตถุข้างนอกเป็นสมมุติธรรมดาไม่ใช่นะเวลาเขาให้หาว่าเอาที่สุดของสมมุติคืออะไรเนี่ยถ้าที่สุดของสมมุติเราจะหานะ บอกให้พระโอหนึ่งหาเข้าใจเรื่องสมมตุติฮทั้งวันนะหาอะไรที่มันไม่ใช่สมมุติหาที่เขาก็หาโอยตายแต่ก่อนนึกว่าธรรมะธรรมะมองอะไรเป็นธรรมะไปหมดพอมาเข้าใจเรื่องสมมุติอะไรก็เป็นสมมุติไปหมดเลยสมมุติที่เยอะกว่าธรรมะอีกว่ า, า ง, งั้นนะมันจบไม่เป็นยอมเดินจยกรมอยู่สามวันหาวันสิบวันสิบห้าวันมองอะไรเป็นสมมุติไปหมดเลย เมื่อไหร่รู้จักที่สิ้นสุดของสมมุติก็จะรู้จักปรามัดละเราก็หาถ้าหาออกไปข้างนอกนี่มันจบไม่เป็นเนะี่ยเพราะมันยิ่งมองอะไรมันก็กลายเป็นสมมติและจิตมันก็สมมติให้เรื่อยๆเรื่อยๆเื่ ย, ย, ยต้องมองย้อนกลับเข้ามาข้างในนะมองเข้ามาข้างในแล้วจะเห็นสภาวะธรรมที่อยู่ข้างใน มันแจ่มชัดขึ้นนะแจ่มแจ้งขึ้นแจ่มแจ้งขึ้นสิ่งที่มันออกไปสมมุติข้างนอกเนี่ยจริงๆมันเกิดจากข้างในรู้สมมุติมีสองแบบนะรู้สมมติข้างนอกกันหนึ่งรู้สมมุติข้างในอีกอันหนึ่งคือธรรมะอะไรก็ตามมีสองแบบสองหน้าเหมือนเหรียญเนี่ยนะแต่เวลาเราจะดำรงอยู่เนี่ยเราดำดำรงอยู่กลางกลางอยู่้างกลาง เราไม่ได้อยู่ที่ด้านใดด้านหนึ่งแต่ว่าเวลาเราจะใช้เราก็ใช้สมมุติอย่างเงินนี่เรายื่นให้คนอื่นเนี่ยเขาจะดูดูมันมีสมมติติดไหมในนั้นแต่เขาไม่ได้ดูขอบมันนะดูด้านหน้าด้านหลังนะดูว่ามันสมมติมันมีไหมเขาจะใช้สมมุตินั้นการใช้ในสังคมนี่ก็จะเป็นแบบนั้นแต่ในความเป็นจริงชีวิตเราอยู่เนี่ยเรากองไว้เลยเงินนี่เราไม่ได้ใส่กระเป๋าไม่ได้ใส่อะไรเวลาเราหลับเรานอ น, น, นเราก็หนักนะ แล้วก็กองไว้เราไม่ได้ไปติดมันเหมือนกันนะ่ะในจิตเราเนี่มันมันไม่ได้มีอ่ะแต่อยู่ในสังคมนี่มันต้องใช้อัน น, น, นี้แล้วก็ใช้ไปตามสมมุติโลกแต่เราต้องเห็นเห็นสภาวะที่อยู่เหนือสมมติอันนี้ภาวะวิมุติมันเป็นยังไงนั้นก็คือต้องเร่งทำตัว สติเนี่ยขยับพขึพ้นคนไหนได้สติแล้วได้อารมณ์แล้วเนี่ยคืออารมณ์รูปนําอารมณ์สมมุติเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้แล้วเราสามารถที่กระโดดข้ามพวกนี้ไปได้โดยโดยไม่ยากเท่าไหร่เพียงแต่ว่าสติสัมปชัญญะเราเนี่ยมันต้องต่อเนื่องต้องจริงจังสักหน่อยนะแล้วก็อย่าไปอยู่ความคิดคือถ้าไล่ความคิดออกไดนะ้ถ้ายังมีความคิดอยู่ในจิตเดียวก็คือมันก็ยังสมมุติอยู่ดีอ่ะ ถ้าเรารู้วมันเป็นสมมุติแต่จิตมันก็ยังสมมุติอยู่อย่างนั้นน่ยมันไม่ออกนะสมมุติเรื่องนั้นสมมุติเรื่องนี้ให้อยู่เรื่อยๆมันก็ต้องล้างล้างจิตนั้นการชําระจิตให้สะอาดก็คือการล้างสมมุตินั่นเองสมมุติเนี่ยมันลึกลงไปถึงสมมุติอดีตชาติด้วยนะนะในปุเพนิวาสานุสติยานจิตมาถึงตอนนี้เขาไม่เรียกว่าสติละตอนนั้นเขาเรียกว่ายาน ถ้าทำงานได้ที่ลึกๆ ย, ยากๆได้เนี่ยเขาเรียกว่ายานมียานอย่างรู้อย่างเมื่อแล้วหยั่งลงไปในน้ำหยั่งลงไปไนะแต่บางคนเขาก็แปลยานแปลว่าความรู้อะจริงๆมันเป็นเป็นภาวะถ้าแปลว่าความรู้เนี่มันก็ตื้นไปมันตื้นไปเวลาคนปฏิบัติทำเนี่ยอัธรรพของภาษาเนี่ยมันไม่พอที่จะนำไปสู่การค้นคว้าการสาวายงานที่ลึกๆขึ้าไป โอ้เราก็มีความรู้นะความรู้เลยการว่ารู้นั่นรู้นี่ไปเรื่อยนะแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างรู้สภาพจิตที่มันคิดไม่คิดปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งมันไม่ลงลึกไปไปนั้นนั้นปัญญาญาณจึงอ่อนไหวเบาบางตื้นเขินแล้วสามารถปรากฏขึ้นให้เป็นขณะนานๆปฏิบัติทมตอนนี้ก็เจเดือนมาแล้วก็ยังไม่ได้อารมณ์ อันนี้สามเดือนมาผ่านมาก็ยังไม่ได้อารมณ์นะสองปียังไม่ได้อารมณ์ห้าปียังไม่ได้อารมณ์อะไรมันมันไม่ได้อารมณ์พอเลยเพราะว่าสภาพของสติเนี่ยที่จะนาไปสู่ความเป็นสมาธิแล้วมีความหนักแน่นมีลูกตุ้มถ่วงที่เรียกว่าเป็นเป็นสมาธิคือเป็นญาณวิปัสนาเนี่ยความหนักแน่นมันไม่พอยมันเบา จิตของเขาเบาเป็นจิตเบาพรตของเขาย่อมไม่สําเร็จผลคือมันต้องได้สมาธิอยู่เรื่อยๆได้สติอยู่เรื่อยๆหนักแน่นอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นน่ยพรตมันจึงจะสำเร็จผลพรตก็คือสิ่งที่เราลองประพฤติปฏิบัติทำนี่แหละสีลพรตศีละพลตัะพตตปรามาดเราเขียนเป็นพรตพรตนะพรตก็คือเป้าหมายสิ่งที่เราจะทําที่จะชำระจิตชำระกิเลสเราเนี่ยนั่นแหละเขาเรียกว่าพรต แต่เป็นศีลประตับปรามาสไอตัวปรามาสนี่คืองมงายเองพลดแบบงมงายแต่นี่เป็นพลดที่มีสติเป็นแกนมีสมาธิเป็นเข็มทิศเป็นตัวชี้นำํำมีปัญญาเป็นตัวสอดจองมันก็เห็นอารมณ์ที่มันปรากฏเกิดขึ้นดับไปที่อยู่ข้างในเนี่ยได้ชัดเจนเลยต่อเนื่องมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกเนี่ยเราจะสังเกตว่ามันเริ่มลดลงลดลงลดลง นะลดลงบางทีก็ลดลงแบบแบบปัิเจต ก, กับภาวะเลยรปุ๊บทีเดียวนะแต่บางคนก็ค่อยๆลดลหลายๆคนนะเวลาฟังปุ๊บเนี่ยมานะทิจิอะไรมันลดหัวลงไปเลยก็มีเนี่ยที่ฟังโอ้ดีฟังเป็ น, นจิตมันก็อ่อนน้อยถอยกําลังไปเองโดยธรรมชาติเลยนะแต่บางคนจิตมันต้านบางทีเนี่ยจิตมันต้าน เราไม่ได้พูดถึงตัวคนนะเนี่ยแต่พูดถึงเรื่องตัวจิตมันขึ้นอยู่กับตัวบุญมาวาสนาส่งที่ตัวสะสมของแต่ละคนแต่ละคนนี่แหละว่าคนแต่ละคนเป็นยังไงนั้นเวลามาปฏิบัติธรรมนด้เจอหน้าเจอตาคนนั้นคนนี้โอ้เป็นอย่างนี้นะเป็นนะงาน น, นหนึ่งคือทำคือเอาช่วยยังไงคนเนี้ยคนนั้นช่วยยังไงนะดูที่แต่ละคนแต่ละคนจะขยันขนาดไหน จะฟูมฟักขนาดไหนเขาจะเผาตัวเองได้มากแค่ไหนเขาเผาด้วยเราเผาด้วยบางทีเราก็ช่วยพลิกเหมือนเขาเผาปลาเนี่ยด้านหนึ่งมันสุกตรงที่เขาเผาแต่อีกด้านหนึ่งมันไม่สุกเราก็บอกว่าด้านนี้นะมันไม่ค่อยสุกนะพลิกไปพลิกมาเลยมันแต่บางคนเขาชํานาญพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกหน้าพลิกหลังเดี๋ยวสุกหมดเลยแหละสุกแบบสุกหอมด้วย นะสุกมีกลิ่นมีสีได้ดีด้วยเหลืองอ้อยนะแต่บางคนสุกจนไหม้บางทีเนี่ยนะเผาตัวเองจนไหม้ก็ไม่ดีเผาจนไหม้คือเคร่งเครียดนะเคร่งเครียดเอาไปมานะเลิกรถละก็เรียกมัดจุราชมัดจุราชเข้ามายุ่งกับชีวิต คือเลิกทำความเพียรเลยบางคนเฮ้ยกูไม่เอาเนี่ยมัจจุราชคือไม่เอาเลิกไม่ทำนะไอตัวมัจจุราชเนี่ยส่วนมากในอา ร, ร, รมณ์วิปัสสนาบมันชอบมาที่หลังตัวนี้นะฉันบอกเขาว่าห้ามให้ปฏิบัติธรรมคืข้ามพ้นมัจจุราชให้ได้มัจจุราชมัจจุตเทยังสุทุตรังข้ามพ้นให้ได้การตายจากมรรคผลเนี่ย คนหลายคนเลิกล้มความตั้งใจไม่ปฏิบัติไม่เอร์ละ ว, ว่าอะไรประมาณนี้เนี่ยคือมัจจุราชมันมาทีแรกมันไม่มีนะมีสังขารมานเทวปฏมาลอะพิสังขารมานกิเลสสมานพวกนนเนี่ยแต่มัจจุมาเนี่ยมันมาทีหลังเมื่อที่ปฏิบัติไปมันไก้าวหน้าเออคุณเลิกดีกว่าไม่เอาแล้วเลิกสายนี้ไปสายนั้นเลิกสายนั้นไปสายนี้ไปโน่นไปนี่เอาไปมาได้เพื่อนได้พ้องคนรู้จักเยอะๆ เอาขายประกันดีกว่าว่าขายเครื่องสมอางขายสินค้าต่อเนื่องดีกว่าสินค้าขายตรงเลยมันเปลี่ยนไปจิตเนี่ยมันเลิกนั้นต้องสังเกตดีๆแล้วความเพียรพยายามเลยอย่าไปท้อถอยนะอย่าไปท้อถอยต้องขยันเพราะอันนี้มันเป็นเรื่องที่มันละเอียดนะไม่ใช่มันตื้น ไม่ใช่ตื้นเขินพอจะรู้สึกที่มันมันเข้าใจเรื่องนั้นเข้าใจเรื่องนี้เล็กๆในน้อยเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําให้อาสวะมันสิ้นได้เราเห็นไว้ป่าเนี่ยทําได้น้อยพอเขาทิ้งปีเดียวท่านั้นอ่ะฝนตกมามันชื้นมาเลยแต่พลึบขึ้นมายังก็ป่าดงดิบนี่ยทั้งที่เขาทําเลื่อนเตียนไปแล้วเพอหรือเปล่ารากมันยังเหลือ จิตของเราก็เหมือนกันปฏิบัติทําได้เล็ก ๆ, ๆน้อยเนี่ยต้องขยันละนะนะต้องสังเกตไม่ต้องมีปัญญามากปฏิบัติธรรมเนี่ยปัญญาไม่ต้องมีมากก็ต้องไม่มีไม่ต้องมีปริยัติไม่ต้องมีอะไรที่มันศึกษาเล่าเรียนทํตรับตำราอะไรมากมายนะปริยัติก็ฟังแค่เนี้ยเราฟังเอาแต่ละวันนี้เล็กๆน้อ ย, อยประมาณเนี่ยฟังมากฟุ้งซ่านนะอันนั้นก็ยังไม่เป็นอันนี้ก็ยังไม่เป็นเอาไปมาน้อยใจมึงดี โอ้ทำไมต้องรู้เยอะขนาดนั้นยังไม่รู้ตั้งเท่าไหร่เนีมันได้คิดนะแต่ว่าสิ่งที่ควรจะมีก็คือนะรู้เรื่องใจมันคิดรู้มันเคลื่อนไหวรู้รู้รู้รู้รู้ให้มันต่อเนื่องรู้ตัวเนี่ยไม่ใช่รู้ตำรานะรู้ตัวรู้เนื้อรู้ตัวรู้เยอะๆคือบานเราก็เรียกว่ารู้กายรู้จิตนั่นแหละ ดูให้มันเห็นให้มันชัดมันก็ขยับไปขยับไปข้าไปใจมันก็ตื่นไปเรื่อยมันก็เบิกบานแจ่มใสนะไม่ใช่เราแล้วแต่จะขับไปรถคันเนี้ยไปเจอปัญหาตัอวอะไรก็แก้ไปตามเรื่องแต่ในขณะเดียวกันไม่เช็คไม่ซ่อมนะเวลาเจอปัญหาจริงจริงมันขับไม่ผ่านดังนั้น ท่านแต่ละท่านแต่ละคนที่เคยฝึกเคยฝนเคยอบรมจิตมาแล้วขยันปฏิบัติทบทวนปฏิบัติอยู่เรื่ียๆเนี่ยหล ง, งตามไม่ได้ให้เกียรติใครนะปฏิบททัติดำเพราะเราก็รู้ว่าท่านทั้งหลายก็เป็นคนไม่มีเกียรตนะิแต่ท่านมีเกียรตนะิที่ท่านทำเอาเอง